กลิ่นของโอปปาติกะในจดหมายของคุณเอื้อหงสกุลได้เล่าไว้ตอนหนึ่งว่าพี่เขยของเขาเป็นมะเร็งที่ท้องน้อยตายไปพอเวลาเที่ยงพี่สาวของเขาจะได้กลิ่นน้ําเหลืองเมื่อพี่สาวของเขาจุดบุหรี่ไว้ข้างแก้วกาแฟดําเย็นกลิ่นก็หายไปเพราะแกชอบบุหรี่และกินกาแฟดําเย็นในเวลาเที่ยงทุกวัน จากเรื่องที่คุณเอื้อเล่าไว้นี้ผมเองก็มีความสงสัยจึงได้กราบเรียนถามท่านและท่านก็ได้กรุณาอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้โดยธรรมดาพวกโอปปาติกะทุกคนก็มีกลิ่นซึ่งสุดแล้วแต่ตัวเองจะอยู่ในภูมิไหนเหมือนกับคนในโลกมนุษย์ซึ่งกลิ่นตัวเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้าง สำหรับในบางกรณีที่บุคคลบางคนรู้สึกได้กลิ่นของพวกโอปปาติกะนั้นความจริงเป็นกลิ่นประจำตัวของเขาซึ่งทุกคนที่อยู่ในภูมินั้นมักจะต้องมีกลิ่นคล้ายคลึงกันเช่นนี้เสมอแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ตายไปแล้วจะต้องมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับน้ำเหลืองหรือกลิ่นเหม็อนอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นกลิ่นของศพที่ตายประเด็นนี้โปรดพิจารณาให้ละเอียด คนที่ตายไปแล้วย่อมไปเกิดใหม่และมีร่างกายใหม่เพราะฉะนั้นกลิ่นของศพจึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่คนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วกลิ่นเหม็นที่บางคนรู้สึกเหมือนกลิ่นศพนั้นก็คือกลิ่นประจำตัวสำหรับผู้ที่อยู่ในภูมินั้นๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อสังเกตยอยู่อย่างหนึ่งว่า สำหรับในกรณีที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องของอุปาทานถ้าหากได้กลิ่นเหม็นก็หมายความว่าผู้ที่ตายไปอยู่ในภูมิที่ไม่ดีแต่อย่างไรก็ดีการที่ญาติพี่น้องได้กลิ่นเหม็นของผู้ที่ตายไปนั้นไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องไปอยู่ในภูมิที่ไม่ดีเสมอไปเพราะยังมีสาเหตุอีกอันหนึ่งที่ทำให้ได้กลิ่นเหม็น กล่าวคือคนบางคนในขณะที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์เคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าถ้าคนที่ตายไปมาหาจะต้องได้กลิ่นเหม็นเหมือนศพและก็มีอุปาทานอันนี้ฝังอยู่ในใจเพราะฉะนั้นคนบางคน ท, งทั้งที่ตัวเองอยู่ในภูมิที่ไม่มีกลิ่นเหม็นแต่เมื่อมาหาญาติพี่น้องและปรารถนาที่จะให้เขารู้ว่าตนเองมา จากอุปาทานที่เคยมีอยู่นั้นก็จะบันดาลให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นมาโดยอัตโนมัติคือไม่ใช่กลิ่นที่เขาทำให้เกิดขึ้นด้วยความจงใจเว้นไว้แต่เขาจะอยู่ในภูมิสูงจึงจะทำได้แต่โดยธรรมดาผู้ที่อยู่ในภูมิสูงจะไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเขาอาจจะใช้วิธีการอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ได้เพื่อให้ญาติรู้ว่าเขามาหาส่วนผู้ที่อยู่ในภูมิต่า จะไม่สามารถสร้างกลิ่นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เกิดขึ้นตามความตั้งใจได้เช่นบางคนอาจจะบรรดาให้ญาติหรือเพื่อนได้กลิ่นหอมของดอกไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการติดต่อก็ได้แต่ก็ขอให้สังเกตว่ากลิ่นที่เกิดจากอุปาทานหรือที่เกิดจากความรู้สึกที่ฝังใจมาตั้งแต่ในสมัยยังเป็นมนุษย์นั้นกลิ่นจะออกมาในรูปอย่างเดียวกับที่เขามีอุปาทาน แต่ถ้าหากเป็นกลิ่นที่เกิดจากการกระทำของเขาจริงๆคือไม่ใช่เกิดจากอุปาทานโดยตรงซึ่งหมายความว่าเมื่อเขาต้องการจะให้เกิดกลิ่นอะไรเขาก็ทำได้ในกรณีอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ในภูมิสูงเท่านั้นจึงจะทำได้